หากคุณเป็นเกย์ที่รู้สึกทุกข์ใจและอยากเปลี่ยนสภาพตนเองอยากเปลี่ยนรูปหรืออยากได้แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่สภาพแบบนี้มีหลักแนะนําเบื้องต้นนะครับคือเลี่ยงกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นเกย์ซึ่งกล่าวไว้ข้างต้นจิตที่ยึดติดเรื่องเพศรุนแรงอาจส่งให้เกิดข้อมูลสร้างรูปกายตรงข้ามกับใจการคลั่งไคล้ชอบเกินพอดีมีผลเท่ากับการเกลียดเกินพอดีเช่นกันเกลียดอะไรจะได้แบบนั้น ยิ่งเกลียดตุ๊ดเกนึกด่าในใจทุกครั้งที่เห็นที่เจอจะเกิดวิบากสะสมในจิตมีโอกาสดึงวิญญาณที่จะได้เกิดเป็นตุ๊ดมาเข้าท้องเป็นลูกหรือได้ชายรสนิยมสองแบบมาเป็นสามีนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเกลียดอะไรนึกภาพปุ๊บมันเกิดชัดในใจปับ๊บแล้วเลือนหายจากใจได้ยากยิ่งเกลียดมากจิตยิ่งฝังข้อมูลไวลึกและเข้มข้นมากเมื่อเกิดใหม่ มีโอกาสที่จะส่งให้จิตสร้างรูปกายเป็นอย่างที่เคยเกลียดฝังใจไว้ซะเองพระท่านถึงสอนนะครับว่าเจออะไรให้สักแต่รู้สักแต่เห็นอย่าชอบอย่าชังวางใจเป็นกลางอย่าไปว่าเขาเคยเจอมากับตาเลยนะครับที่เห็นคนเกลียดตุดได้ลูกเป็นตุดกันหลายครอบครัวเป็นการทันตาในปัจจุบันและยังไม่นับกับชาติหน้าที่อาจต้องไปเกิดผิดเพศซะเองอีกต่างหากจากการกล่าวพรามาดบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ทรงศีลหรือผู้มีบุญเห็นท่านเรียบร้อยหรืออาจมีกิริยาคล้ายผู้หญิงก็เผลอลบหลู่ในใจหรือพูดออกมาเป็นกรรมหน้าติดเตียนที่ส่งผลในอนาคตให้เรามีโอกาสเป็นตุดหรือเบี่ยงเบนทางเพศหรือทําให้เรามีกิริยาเหมือนตุดให้คนเข้านึกด่าหรือดูถูกในใจอย่างที่เราเคยทําไว้ได้เช่นกันโปรดจําไว้ว่าเป็นตุดไม่ได้หน้ารังเกียจสำหรับคนที่มีจิตใจมีคุณธรรมแต่คนส่วนใหญ่ดีหรือชั่วมากกว่ากัน นั่นคือเหตุผลว่าคนกลุ่มหนึ่งจะเกลียดตุดได้โดยไม่ต้องทำความชั่วอะไรเลยและมันยังเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่จะรู้สึกต่อต้านสิ่งที่แตกต่างจากตนเองหรือคนหมู่มากไว้ก่อนแถมหลายศาสนายัางโดนแทรกแซงจากอคติส่วนตัวของผู้นำในบางรุ่นที่ทำให้รู้สึกว่ามีการบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาจนเกิดเป็นคำสอนว่าเกย์เป็นบาปร้ายแรงต้องกำจัดทิ้ง มีการลงโทษให้ติดคุกและแขวนคอหากใครได้ศึกษาธรรมะ ก, กันจริงจังนะครับจะรู้ว่าศาสดาแต่ละองค์ท่านเปี่ยมเมตตาและมีปัญญาสูงขนาดไหนไม่น่าที่จะมาลงโทษผลักไสรังเกียจหรือฆ่าคนได้แค่มีความชอบต่างออกไปและเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำร้ายใครเลยจริงไหมครับ หากเชื่อว่าเราเป็นเกย์จากกรรมที้ผิดศีลข้อสามก็ต้องตั้งใจรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ให้ได้ซื่อสัตว์ต่อคนรักอย่ายแอบมีกิก๊กและต้องอดทนในทุกเพราะรักที่ต้องเจอจากกรรมเก่าโอกาสถูกหลอกโดนนอกใจจะมีสูงมากสําหรับเกย์จนหลายคนเข็ดขยาดไม่เชื่อมันน่นในรักแท้ปล่อยตัวผิดศีลหนักขึ้นไปอีกสิ่งที่เจอในปัจจุบันคิดว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่รับรองว่าถ้ายังผิดศีลปล่อยตัวมั่วกรรมต่อไป อนาคตจะเจอหนักกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าแน่นอนคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะเต็มที่อดทนทำดีครบทุกด้านให้มากพอเท่านั้นถึงจะมีโอกาสบรรเทากรรมสร้างพลังงานดีในตัวออกไปดึงดูดเอาคนรักดีๆให้เข้ามาในชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่คนที่จะอดทนทำได้ถึงขั้นนี้มีน้อยมากอย่ามัวน้อยใจในชะตาชีวิตที่แสนอาภัพเพราะหญิงชายปกติก็ทุกพาะรักไม่ต่างกัน มีข่าวค่ากันแทบทุกวันสำหรับคนที่ตั้งใจจริงอยากหายเป็นเกในชาตินี้ครูบาอาจารย์แนะนำไว้นะครับว่ามีวิธีเดียวคือการปฏิบัติธรรมให้จริงจังให้เริ่มต้นด้วยการทำทานระดับที่ทำได้สวดมนต์ทสมาธิและที่สำคัญคือถือศีลแปดให้บริสุทธ์สักหนึ่งถึงสองปีถ้าจเจริญสติฝึกดูจิตดูกายให้ถูกทางด้วยจะดีมาก เมื่อถือศีลแปดหยุดเสพการมาสักระยะจะเห็นชัดว่าถ้าไม่มีความต้องการทางเพศแล้วเพศอะไรก็ไม่สำคัญเลยจิตบริสุทธิ์ไม่มีเพศจะเริ่มรู้ตามความจริงจิตเข้าสู่ปกติไม่บิดเบี้ยวบางรายอาจรู้สึกกลับมามีอารมณ์กับเพศตรงข้ามบางรายไม่รู้สึกอะไรกับใครและเห็นชัดว่าจะเป็นสุขกว่าที่ได้ครองพงมจันทร์จะทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ คนที่ได้อาจไม่ใช่กลับมาเป็นเพศปกติแต่อาจได้ผู้ทรงศีลมาให้กราบไหว้เพิ่มอีกหนึ่งท่านการหวังให้ใครสักคนหายเป็นเกย์ต้องให้เจ้าตัวเต็มใจอยากเลิกเป็นด้วยตนเองไม่ใช่การบังคับลูกแต่งงานหรือจับไปบวชขณะต่อมตุ๊ดแตกขึ้นสมองนะครับนอกจากไม่หายแล้วยังส่งบาปใหญ่ถึงพ่อแม่ด้วยฐานทา ร, ร, ร, ร, ร้ายศาสนาให้ดูมัวหมองซึ่งเป็นบาปหนัก เทียบเท่าการทำร้ายพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเป็นเกที่ไม่ได้ออกสาวมีเจริญเหมือนชายปกติไปบวชและตั้งใจปฏิบัติจริงจังสำรวมตนอยู่ในศีลอันนี้ก็ยังพออนุโลมได้แต่ถ้าแค่ไปห่มเหลืองและเอาแต่นั่งนอนไม่ปฏิบัติกริชกราดไม่สำรวมตายเมื่อไหร่ได้เกิดใหม่จะรู้ว่าแค่โอกาสจะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังยากเลยครับครูอาจารย์กล่าวไว้ว่า หากเข้าใจเพศสภาวะของตัวเองแล้วโดวยเฉพาะชายที่มีจิตใจเป็นหญิงก็ไม่ควรเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุศา ส, สนาไม่ได้กีดกันแต่ต้องเข้าใจว่าการบวชมีไว้สําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องบวชก็บรรลุธรรมได้การเป็นพระจุดประสงค์หนึ่งเพื่อเป็นหลักใจให้ศาสนิกได้ยึดถือและเพื่อการเผยแผ่พระธรรมสืบต่อไป หากมีภาพของนักบวชที่ทำให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาจะทำให้ศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นานท่านวางกฎไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาวแก่ที่เป็นลูกที่ดีมีศีลทำประโยชน์ให้สังคมยังจะมีบุญส่งถึงพ่อแม่ได้จริงกว่าการบวชแล้วไปทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ซึ่งเป็นบาปใหญ่ถึงพ่อแม่ด้วยนะครับอย่าคิดว่าต้องบวชตามประเพณีลองค้นพระตไตรปิฎกดูสิครับว่า มีคำสั่งจากพระพุทธเจ้าตรงไหนให้ชายทุกคนต้องบวชสมัยพุทธกาลเขาบวชเมื่อพร้อมจะทำนิพพานให้แจ้งเท่านั้นคำขานนากมีคำว่าเป็นชายใช่ไหมถ้าจิตภายในตอบชัดว่าเราเป็นหญิงมันก็ไม่เหมาะที่จะบวชแล้วสำหรับเกย์หรือกระเทยที่อยากจะบวชให้ได้จริงๆควรโกนหัวห่มขาวไปอยู่วัดปฏิบัติถือศีลแปดให้ได้สักหนึ่งถึงสองปีก่อนเหมือนดังพระในสายหลวงปู่ชา พระฝรั่งหลายรูปซึ่งท่านก็ไม่ได้เป็นเกย์นะครับก็ทำแบบนี้เขาเรียกว่าบวชเป็นอนาคาริกโกนหัวห่มขาวปฏิบัติไปจนจิตตั้งมั่นในธรรมและมั่นใจว่าจะบวชเป็นพระได้จริงสำหรับคนเป็นเกย์ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ชัดว่าเป็นผู้ไม่ยึดติดทางเพศแล้วจิตไม่บิดเบี้ยวไม่รู้สึกว่าตนเป็นหญิงไม่รู้สึกว่าชอบผู้ชายแล้วจิตแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงเหมาะที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้แบบหน้าอนุโมทนา เวลาขานนาค ก, ก็สามารถตอบว่าเป็นชายได้เต็มปากเต็มใจผมเชื่อว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าจะท่งอนุญาตให้เกกระเทยบวชได้ท่านน่าจะต้องตั้งวินัยหรือกฎให้เฉพาะต่างหากเหมือนที่มีกฎพิเศษเพิ่มสำหรับภิกษุณียกตัวอย่างการถูกเนื้อต้องตัวผู้ชายไม่อารบดเพราะชายแท้ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าพระเกแน่นอนการถูกเนื้อต้องตัวเด็กหนุ่ม ชายหนุ่มหรือแม้แต่พระด้วยกันย่อมทำให้จิตวันไหวการร่วมชายคาเดียวกันหากชาวบ้านรู้ว่ามีพระเป็นเกย์ก็ทำให้เกิดคำคอรหานินทาได้อาจทำให้ศรัทธาเสื่อมได้นะครับการไม่ปฏิบัติธรรมจริงจังการดูทีวีฟังเพลงกินอาหารหลังเพลงล้วนสะสมให้เกิดกิเลสราคะแรงกล้าจนตบะแตกกันมาเยอะมีจานวนมากที่ตอนแรกตั้งใจปฏิบัติดีแต่ทนต่อกิเลสไม่ไหว พระเนเนี่ยส่วนมากหุ่นดีผิวสวยธรรมชาติของวัยหนุ่มที่หากไม่มีสุขจากการปฏิบัติธรรมมาทดแทนเจียดย่อมหอยหาในกามสุดท้ายก็ได้กันเองในวัดมีกลายเป็นข่าวและยังไม่เป็นข่าวอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับมีหลายข้อตามพระวินัยที่เราจะมองได้เห็นชัดว่าท่านตั้งกฎไว้เพื่ออะไรการพระหนุ่มออกมาจากหญิงสาวเพื่อการทําความเพียรได้ง่ายขึ้นเรื่องเพศมีผลต่อหมู่คณะ ควรแยกแต่ละเพศให้มีการปฏิบัติต่างกันอย่างไรทำไมภิกษุณีถึงต้องมีกฎเข้มงวดมากกว่าเพื่อความเรียบร้อยและสง่างามของหมู่สงอย่างไรถ้าเข้าใจตรงเนี้จะรู้เลยนะครับว่าจำเป็นต้องมีข้อปลีกย่อยอีกมากหากมีเพศสภาพที่ไม่ตรงกันแต่นี่หมายถึงการอยู่รวมของหมู่สงและภาพขององค์กรสงแต่สาหรับการศึกษาธรรมะการเป็นคนดี ไม่มีข้อแม้เลยนะครับสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วทางที่ดีคือเป็นคนดีในกราบของคารวะจะดีกว่าเพราะบรรลุอริยะได้เช่นกันและเผลอๆบรรลุขั้นตนได้ง่ายกว่าด้วยนะครับถ้าอยากปลีกวิเวกปฏิบัติจริงจังก็ควรเลือกเดินตามรอยของการปฏิบัติตนแบบอนาคาริกคือโกนหัวนุ่งห่มขาวถือศีลแปดแล้วค่อยบวชทีหลังจะเหมาะสมที่สุด หมายเหตุคนธรรมดาที่ไม่ใช่เกหากไปบวชแล้วไม่ปฏิบัติทำภาพพระสงฆ์เสียหายก็ถือว่าได้ทำลายพระพุทธศาสนามีบาปร้ายแรงเทียบเท่าทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นกันพวกบวชตามประเพณีเนี่ยหลวงพ่อท่านว่าตกนรกกันมากทีเดียวบาปกรรมความซวยติดตัวซึกออกมาและเจริญหว บ, หวบเห็นทันตาเนี่ก็มีมากมายบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่รักษาวินยัยผิดศีลกินมาม่าสาหลาย หลายคนไม่ได้ปรงอาบัติก่อนศึกเงินที่เขาทำบุญเขาทำกับศาสนาศึกแล้วต้องถวายคืนวัดทั้งหมดนะครับเอาออกมาก็เท่ากับขโมยของสงฆ์หลายเรื่องเป็นบาปใหญ่แต่กลับไม่มีการสอนให้เข้าใจสำหรับคนที่ผิดแบบไม่รู้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังทำกรรมดีบรรเทาความผิดได้เสมอตั้งใจศึกษาปฏิบัติทําให้เต็มที่ในวันนี้ทาทานให้เป็นประจำรักษาศีล มันฟังธรรมะศึกษาธรรมะคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับ